แ่วันหลวงพ่อคงไม่พูดอะไรมากอยากจะฟังที่ลูกหลานพระลูกหลานได้ฟัง MP ็สของหลวงพ่อที่อัดไว้หลวงพ่ออยากจะฟังนึกว่าหลวงพ่อพูดอะไรบ้างที่พระเอามาเปิดให้พระลูกพ้าหลานฟังคณะทาญาติโจมฟังแล้วก็เมื่อเช้าก็เห็น ไม่ฉันอาหารหลายองค์แต่หลวงพ่อคิดว่าคงจะมีพระใหม่อดอาหารด้วยการอดอาหารให้ระวังนะพระลูกพระหลานการไม่ฉันอาหารอดอาหารเราจะไปตั้งสัต จ, จัอระ น, นี้ขอบอกอาไว้ว่าจะไปตั้งสัต จ, จักระค้าพรเจ้าโจอดอดอาหารเท่านั้นวันเท่านั้นวันเราอดอาหารไปแล้วถ้าใจมันปุง่งฟุ้งเราก็กลับมาฉันรีบมาฉัน พราภาวนาจิตใจสงบเยือกเย็นเราจงค่อยอดพอหลวงพ่อเคยอดมาแล้วรู้หลวงพ่อเคยอดมาเป็นธรรมดาเล ย, ท, ยที่อยู่วัดป่าบ้านตาดมาอยู่ที่นี่ก็เถอะหลวงพ่ออดมาแต่พระใหม่หลวงพ่อแนะนำไม่ควรจะอดอดสักวันสองวันก็น่าจะเพียงพอนะอดทดลองดู เป็นการทดลองดูอดทดลองนะเป็นยังไงในการอดอาหารต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้รู้ว่าคนหิวอาหารน่คนไม่มีอันจะกินเน่เขาหิวขนาดไหนเราจะได้มีน้ำใจมีเมตตาต่อเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีความอดทนด้วยว่าเราเวลาทาการทำงาน ถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเพียงมื้อเดียวขาดไปเพราะว่าเรามีงานที่จะต้องทำหนักเราก็จะไม่เสียใจเราจะไม่ขุนเครื่องในใจเพราะว่าเราเคยอดอาหารมาแล้วเป็นวันสองสามวันนี่แหละอันนี้ก็คือจะได้ความอดทนต่อไปภายภาคหน้า แต่ลูกหลานก็คงจะถามว่าหลวงพ่อเคยอดมาแต่ก่อนเก่าเคยอดมานานกี่วันหลวงพ่อเคยอดมานานที่สุดที่หลวงพ่อจําได้คือยี่สิบห้าวันหลวงพ่อเคยอดอาหารถึงยี่สบห้าวันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันเป็นธรรมดาแต่ยี่สิบห้าวันหลวงพ่อคราวนั้นทดลองอดดูได้ยี่สิบ้าวันโอ้เหนื่อยพอสมควรร่างกายสูบผอม มากมากแต่ก็ยังดื่มน้ํานะน้ําดื่มอยู่แต่โดยโดยมาปานะสมัยบ้านตากมันก็ไม่เหมือนที่วัดของเราวัดของเราเนี่ยถือว่าสมบูรณ์สมัยนั้นหลวงพ่ออยู่ที่นั่นสมัยนั้นหลวงตาไม่ส่งเสริมหลวงตาขอเกตศศัพท์ชื่อเสียงของท่านก็ไม่โด่งดังเหมือนช่วงไปลายๆยัสมัยหลวงพ่ออยู่คนก็ไม่ค่อยมาก วัา น, นเรื่องปารนะทางหลายเพศสัตว์ทางหลา ย, ท, าลายที่จะหลั่งไหลเข้าไปสู่วัดเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนช่วงหลังๆถ้าจะเปรียบเทียบกับวัดของเราในขณะนี้วัดของเราทุกวันนี้ล้ำหน้ากว่าในสมัยที่หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาในยุคสมัยนั้น่ยุคสมัยนั้นก็เป็นทุกสมัยที่บ้านเมือง ของเราก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มพัฒนาสิ่งไหนที่ว่าซ็อกเกรตเนี่ก็เป็นของหายากมากโกโก้เนี่ยก็มีกี่ห่อเดียวก็คือตรานางพยาบาลเท่านั้นกาแฟก็มีกาแฟผงกาแฟขั่วโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างงั้นน้ำเปปซี่โคลรเนี่ยก็มีแต่ขวดเล็กๆที่เป็นลัง โดยมากเป็นอย่างงั้นอย่างอื่นน้ําแข็งก็เป็นก้อนย่อยๆออกมาจากตลาดบางวันก็ได้ชั้นบางวันก็ไม่ได้ชั้นเนี่ยปาณนะในยุคทำไมหลวงพ่ออยู่ที่หลวงพ่ออดอาหารเป็นยังไงโกงจะสมบูรณ์ไม่ใช่นะลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ให้ดูตนเองเวลาอดอาหารทามันหิว ก็มาฉันนะแต่ว่าก่อนที่จะฉันอาหารตอนเช้าบางทีเราฉันไม่ได้นะเพราะฉันกวนลมมันตีขึ้นหลวงพ่อก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อเชอรี่พระฟรั่งคอยอดอาหารมาหลายวันพอไปฉันอาหารลมมาอยู่ในท้องมันดันออกมาเลยมันฉันไม่ได้มันสู้กันกับลมหลวงพ่อเชอรี่บอกว่าเวลาก่อนที่จะฉันอาหาร ฉันน้าให้มากๆนะัฉันน้ําให้สักแก้วสองแก้วเข้าไปก่อนนะพอฉันเข้าไปแล้วนั่นแหละยังค่อยฉันอาหารจะไม่มีปัญหานะเออหนะลวงพ่อก็ได้ทําอย่างที่หลวงพ่อเชอรี่พูดก็จริงๆนะพราะ้เวลาเราอดอาหารท้องมันว่าง เ, เราต้องดื่มน้ำสักก่อนตอนเช้าก่อนจะทานอาหารสักกี่สิบสามสิบนาทีก่อนนะั่น ก่อนที่เราจะแจกอาหารเริ่มแจกอาหารเราก็ดื่มน้ำเข้าไปเลยสักสองแก้วจากนั้นก็ค่อยหองพานมาชันอาหารลมจะไม่ตีขึ้นข้างบนนี่แหละก็มีเทคนิคในการไม่ชันอาหารการอดอาหารมันหิวเป็นยังไงแต่บางท่านเวลาเราไม่เราชันอาหารตามปกติ เวลาเรานั่งภาวนามันจะงกง่วงขานอนมิแต่อยากหลับมีแต่อยากนอนไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยแหละต้องอดอาหารแต่พออดอาหารเข้าไปแล้วอาหารไม่มีอยู่ในท้องแล้วจะนไงความงกง่วงความง่วงเหงาหานอนะมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยบางคนนะหายปิดทิ้งเลยเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็นเหมือนหัวตอ่อสมาธิดีมากสติดี ควบคุมจิตอยู่นี่แหละวิธีการอดอาหารขอให้พวกเราทดลองดูอย่างที่ว่านะอดนอนผ่อนอาหารแต่บางองค์อดอาหารก็ไม่ถูกกับจริญนะพออก อ, อดอาหารเข้าไปกับ ง, ง่วงง่วงง่วงเหนื่อยเพลกระวนกระไวกระสับกระสายอันนั้นก็มีแต่บางองค์ก็ไปอดนอนถูกกับอดนอนแท้เลย พออดนอนโอ้ดีมากไม่นอนคืนหนึ่งสองคืนรู้สึกว่าสติดีมากอดนอนแต่บางองค์ก็พออดนอนเข้าไปแล้วโอ้โหมันงกมันง่วงจะนั่ง ท, ที่ไหนก็อยากจะหลับท่าเดียวคิดอะไรไม่ออกเลยม่ต ง, ง่วงอย่างเดียว อ, อันนั้นแปลว่ามันก็ไม่ถูกกับเจริตเราก็ต้องมาอดอาหารทดลองดูนี่แหละวิธีการอด วิธีการภาวนานะไม่ใช่ให้ทำหน้าเดียวบางทีก็ผรอดอาหารไบาถึงก็อดแต่อพอ่อฉันให้น้อยดูสิเป็นยังไงพอ่อนอาหารแต่บอกก็ทดลองอดอาหารอดนอนเลสิเราก็ไม่ใช่อดทั้งคืนเอาทดลองชักเที่ยงคืนดูการอดอาหารอดนอนเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้อยากจะให้ พระลูกพาลานทั้งหลายเข้ามาศึกษาให้รู้แนวทางวิธีการปฏิบัติกับตนเองวิธีการภาวนาแต่เรื่องภาวนานะก็ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินนั่นหละหลวงปู่มั่นพาดำเนินยึดกรรมาฐานพุทโธนั่น ะ, ะเป็นหลักแต่ว่ายพระสวดมนต์นี่ก็มีอย่าให้ขาดก่อนหลับก่อนนอนต่วัน นี่กักลับไปอาจจะสวดมนต์ย่อก่อนก่อนนอนอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะอย่างพวกเราสวดเมื่อกี้ในอจชมายาอปจเวกคิคตตวายังจีวรงังปริภูตังอั น, น้ท่านบอกท่านสวดขึ้นมาก็ว่าก่อนที่จะบริโภคปัจัจสี่กีบอลอาหารปิณธบาตเสนาสะนะเพศ ต้องพิจารณาซะก่อนพิจารณาให้รอบครอบซะก่อนจึงบริโภคจะไม่บริโภคด้วยตัณหาคือความอยากอยากเมือเช้าตอนเช้ามาเราจะบริโภคอาหารปฏิสังคายโณนิโสบินดาปาตังปฏิเสวะพิเนวทวายะธรมทาญะณมนพนายะนภิภูษนายะเนี่ยความแปลและความหมายก็ค่าไปเจ้าจะบริโภคอาหาร บริโภคเข้าไปเพื่อบำรุงร่างกายให้อยู่ได้ร่างกายของคนเราถ้าหากว่าไม่มีอาหารไม่มีน้าไม่มีอาหารก็เหมือนกับต้นไม้ไม่มีปุ๋ยไม่มีน้าต้นไม้นั้นก็อยู่ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันที่ทานอาหารนี่ทานอาหารเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อให้ได้บำเพ็ญพศพรหมจรรย์ เพแสวงหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เลี้ยงธาตุขานร่างกายเอาไว้ธาตุขานร่างกายในก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีอาหารไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ข้าพเจ้าเลี้ยงไปไม่ใช่ข้าพเจ้าเลี้ยงเพื่อให้สวยงาม ให้มีกำลังวังชาเป็นนักปั้มนักมวยเป็นนักเพาะกล้ามไม่ใช่อย่างนั้นข้าพรเจ้าเลี้ยงดูแลร่างกายเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์แค่นี้ก่อนที่จะชันอาหารถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ไม่สามารถที่จะหลีกลี่หนีความเจ็บความตายไปได้ ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายเนี่ยก็มีจุดจบเพราะนั้นเข้าไปเจ้าเลี้ยงเพื่อให้พอเป็นไปเพื่อได้ประพฤติพรห ม, มจรรย์อันนี้นก็มาพูดถึงเรื่องผ้าเร่องผ้าหนุ่งหม่มเรืงผ้าหน่หมปฏิสังขาโยนิโสเรื่องผ้าที่บอลเพื่อพี่พักผ้าอาศัยที่ผ้าจี่บอล ข้าพเจ้านุ่งห่มจีวรเพื่อการเหลือบกันยุงกันร้อนกันหนาวไม่ได้นุ่งห่มเพื่อความเฉดสวยงดงามเพื่อให้ได้ประพฤติผมวจันต์หาทางพ้นทุกถ้าว่าไม่มีผ้าห่มกันควบคุมร่างกายก็เป็นที่ไม่สบายตาไม่สบายใจเป็นที่อุดสูดูด้สสาหรับกู้คนทั้งหลาย เพราะนั้นข้าพเจ้าคองผ้าหมผ้ากีวรไม่ได้เพื่อเจ็ดสวยงดงามไม่ได้เพื่อจะให้เป็นที่มองดูแล้วหมเข้าไปแล้วเจ็ดสวยงดงามแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นไม่ใช่ข้าพเจ้าหมเพื่อปกปิดร่างกายกันแดดกันยุงกันร้อนกันหนาว กาแรแมลงการสัตว์ทั้งหลายมารบกวนจะได้ประพฤติผมมาจันได้สะดวกอันนี้ก็คือการพาิจารณาปฏิสังขารอยู่ข้อที่สามก็เรื่องเสนาสนะข้าพเจ้าอยู่เสนาสนะข้าพเจ้าอยู่เพื่อจะได้ประพฤติผมมาจันถ้าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในเสนาที่ปิดบังการร้อนกันหนาวการสัตว์เราก็หาความพาสุกไม่ได้ เพราะนั้นเราอยู่ในเสนาสะนะกับเพื่อประพฤติพรมวจันต์เพื่อหาทางพ้นทุกในิวริตรสงสารเพื่อจะได้ภาวนาจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกหาทางพ้นทุกนวมไม่ให้ตัวเองกลับมาไม่ให้กลับมาเกิดอีกอันนี้ก็คือการอยู่เสนาสะนะและก็ ก, การบ ร, บริโภคยาก็เหมือนกันก่อนที่จะบริโภคยาเภสัช พิจารณาเภสัตเ์้ะก่อนถึงจะมีเพสัชยังไงก็ตามเพื่อข้าพเจ้าทานไปแล้วจะไม่ให้แก่เจ็บตายอันนั้นเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าพอเพียงแต่ยาเอาไว้เพื่อเยี่ยวยาเอาไว้เพื่อ ไ, ได้ประพฤติพรหมพจรรย์เพื่อหาทางพ้นทุกข์อันนี้ก็คือที่เราสวดปฏิสังขารจูนิสสทั้งสีข้อนะ อันนี้ก็คือวิธีการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ดังนั้นมาพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาก็จะอยากให้พระลูกหลานที่เขามาบวชเดีดมาผู้มาศึกษากันเน้นหนักเรื่องสมาธินะ่ะเป็นเรื่องเบื้องแรกถ้าเราจะไปสอนเรื่องปัญญาทีเดียวเดี๋ยวก็จะสับสนอันดับแรกก็คือให้นั่งสมาธิซะก่อนพยายามทำจิตใจให้สงบเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่เดินวิปัสสนามาแล้ว รู้แนวทางเดินวิปัสสนาแล้วก็เดินวิปัสสนาเลยคิดใช้ปัญญาอบรมสมาธิเลยเหรือว่าใช้ปัญญาไปเลยหรือว่าเราจะใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้ปัญญาอบรมสมาธินั่นก็คือพิจารณาก่อนสมมติว่าเรานั่งภาวานามันปงฟุง้งคิดปุงฟุ้งตลอดนะคิดยังไงมันก็ปงฟุ้งตลอดให้พิจารณานะใช้ความปุงความฟุ้งสั้นนะนะั่นนหละ ให้มันพิจารณาอยู่ในกายอให้มันพิจารณาอยู่ในกายเกษาผมโลมาขนหนากาเล็ดท่านตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างที่พวกเราสวดสักครู่นี่น่นะอยังโคเมีกายอยู่กายของเรานี่แหละให้เราอยู่ในกายนี่ตลอดอย่าให้มันออกจากกายจากนั้นให้ดูกระดูกดูกระโหลกศีรษะอย่างจริงพวกเราเป็นแพทย์เป็นหมอรู้ได้ว่ากระดูกศีรษะกระดูกของคนเป็นยังไงฟัน ปนฟันล่างเป็นยังไงกระดูกคอเป็นกันในกระดูกหายปลาราเป็นยังไงกระดูกแขนเป็นยังไงกระดูกข้อซอกกระดูกแขนแต่ถ้าช่วงสองช่วงช่วงบนช่วงล่างกระดูกฝ่ามือเป็นยังไงซ้ายขวากระดูกชี <oln> ้โคงไปยังไงกระดูกหลังเป็นยังไงกระดูกบั้นเอวเป็นยังไงกระดูกเชิงกานเป็นยังไงกระดูกสะโพกเป็นยังไงกระดูกขาเป็นยังไงกระดูกเขาเป็นยังไง กระดูกแข้งเป็นยังไงกระดูกข้อเท้าเป็นยังไงกระดูกฝ่าเท้าเป็นยังไงกระดูกนิ้วเท้าเป็นยังไงให้อยู่ในสภาพให้เห็นให้เห็นกําหนดดูให้เป็นถึงจะให้เป็นสมมุติซะก่อนสมมุติซะก่อนให้เห็นตามสมมุติซะก่อนเห็นเห็นเห็นเห็นดูร่างกายพอเห็นร่างกายเห็นเราเห็นจุดไหนที่มันชัดเจนในความรู้สึกของเราเราเอา ใจของเราอยู่ในจุดนั้นเท่นัออ้อไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวนะได้หลายสิบครั้งนะดูไปเรื่อยๆดูช้าๆดูดูดู ด, ดูจากนั้น ก, ก็กำหนดดูสิว่าใจของเราอยู่เห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดเห็นกระโหลกศีรษะชัดเราก็เอาจอเอาจับจิตใจของเราอยู่ในกระโหลกศีรษะนั้นไม่ขยับไปที่อื่นดูที่กระโหลกศีรษะให้มันขาวโพลอนอย่เงี้ยกระโหลกศีรษะของคน อยู่ที่นั่นไม่ให้มันไปที่อื่นนี่หนละอันนี้เมื่อเราใจของเราอยู่ในที่จุดเดียวใจของเราจะรวมสงบนิ่งจิตใจรวมสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งได้อันนี้ปปะว่าปัญญาอบรมสมาธิใช้ความคิดตร่มใช้ความคิดที่มันปุงฟุ้งนะ่ะมันฟุงกับมันฟุงอยู่ในกายนี่มันเห็นกายนี่ อันนี้ะให้พวกเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิอันนี้หลวงตามหาบัวท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายแต่หาพวกเราจิตใจวันไหนมันไม่คิดมันไม่ปรุงอยู่แล้วก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุธโทพุโพุโธอให้เจ้าเข้าพุทให้เจ้าออกโทหรือว่าพุทโธพุโทเียหรือว่าพี่หายใจเข้าเกิดหายใจออกดับ เกิดตายเกิดตายถ้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายเกิดตายเกิดตายความตายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมเข้าลมออกเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็สุดแท้แต่พวกเราจะถนัดพิจารณากำหนดอันนี้คือสมาธิส่วนปัญญาพิจารณานันกนะในเมื่อพิจารณาร่างกาย่ไหมเมื่อเราจุดนั่นคือ ปัญญาอบรมสมาธิเมื่ออบรมสมาธิทําจิตใจให้นิ่งกําหนดไปแล้วให้ใจนิ่งดู ก, กระโหลกหรือกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกชี้โค้งจุดใด จ, จุดหนึ่งจากนั้นก็จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบให้นิ่งซะก่อนให้จิตพักผ่อนที่มันปรุงฟุ้งมาทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งพบทั้งชาติมันไม่เคยสงบแล้วมันสงบซะก่อนพอจิตใจสงบแล้วก็นํามาพิจารณา ถ้ามันผ่านความสงบไปแล้วท่นี้มันจะรู้แหละท่านนี่กดเกณฑนะ์รู้จิตสงบผ่านความสงบไปแล้วนะจิตใจจะมีกําลังแหละจิตใจมีกำลังนะเอาจิตที่มันผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนยะพิจารณาอย่างเก่านะั่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยืนะ่อในกระดูกม้ามหัวใจหรือกระดูกอย่างเก่านะั้นะให้ย้อนไปแต่อย่าไปให้มันเป็นอย่างเก่านะ พิจารณาดูดูดู ด, ดูให้ชัดเจนแต่ชา้าๆหลายๆครั้งในเมื่อเห็นร่างกายของตัวเองนะ้วย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจบานี้เไปใจของเรานะ่ยมันเห็นอสุภะปฏิกูนะูน่ะใจที่มันเกิดความรักความไข่ความชอบความไข้ว่าความเสร็สวยงดงามเนะี่ยว่าร่างกายมันสอบสวยงามร่างกายของเราสวยงามจิกร่างกายคนอื่นสวยงามเนีมันออกไปข้างนอกอย่างนั้นแต่ตามมันจริงมันสวยงามจริงเหรอ อะไรคือความสวยงามดูให้ชัดเจนไอ้สิผมสวยงามใช่ไหมขนสวยงามใช่ไหมเล็บสวยงามใช่ไหมตัดออกมาแล้วเป็นยังไงอขี้เล็บไหม่ละแคะไหม่ล่างเป็นยังไงฟันสวยงามใช่ไหมเท้าฟันอสกปรกเหลืองอ้อยมีแต่ขี้ฟันไปยังไงอหนังที่ไม่ซะไหม่ล่างไปยังไงไม่อาบไม่เซ็ดไม่ถูไม่คัดไม่กราวไปยังไงไม่ชะลมของเอ แป้งของหอมเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปข้างในเป็นยังไงเมื่อพิจารณาเห็นนะัะอันไหนคือความสวยงามร่างกายมันสวยงามอย่างที่เราคิดใช่ไหมไม่ใช่ผลในสุดมากัใจของเราเองใจไปให้ความสำคัญในกายผลในสุดใจของเราเนีนนะ่เป็นสุภาใจของเราเนั่นแหละเป็นอสุภาเพราะเป็นผู้กำหนดให้เขาเป็นบอกเป็นผู้กำหนดเป็นผู้ บอกเขาเป็นผู้กําหนดให้เขาอ่านี่แหละอันนี้แหละคือกายใจกายฮเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านดูดูจุดนี้เถเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นแล้วมันย้อนเข้ามาหาใจสิใจเป็นผู้ให้ความหมายสวยงามหรือไม่สวยงามใจของเราเป็นผู้ให้ความหมายผลในที่สุดใจของเราเนี่ยเป็นสุภาษะหรืออสุภาษะเสียเองเลมันเป็นอสุภาษะและเป็นสุภาษะ สุภาพคือความสวยงามอสุภาพคือความไม่สวยงามมันอยู่ในใจของเราเพราะใจของเราไปให้ความสําคัญในจุดนั้นแต่ในเมื่อเห็นความอสุภาพแล้ไม่สุภาพไปเห็นความสําคัญในใจเลยมันก็จะต้องคิดป ล, ปล่อยวางเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเห็นใจของตัวเองเนละเพราะไปให้ความสําคัญในเรื่องต่างๆจุ่งไปหมดเลยนะั่นมันจะปล่อยวางอยู่ที่ใจนะั่นนี้นะนี่แหละวิธีการปฏิบัตินะ ก็คือแนวทางเป็นอย่างนี้เอาตอนนี้ไปเปิดเทป MP3 าฟังดูสิถิเอาน้ำพวกเรานั่งสมาธิเลยนะีนินะ